จเจริญพรพหลายคนก็คุน้นมากหลวงพ่อไม่ไม่นึกว่าพวกที่หน้าตาคุณคุณๆนี่อยู่ที่นี่ถ้าเรียนกับหลวงพ่อมาช่วงหนึ่งการฟังหลวงพ่อไม่ใช่เรื่องยากแต่ถ้าไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังยากเหมือนกันอะไรที่มันแปลกแปลกใหม่ๆก็เข้าใจยาก แต่ถ้าเคยรู้เคยเห็นเคยเข้าใจก็ไม่ยากหรอกที่จริงสิ่งที่หลวงพ่อสอนทุกวันทุกวันไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรแต่มันลึกซึ้งหน่อยธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีความลึกลับแต่ว่ามีความละเอียดลึกซึ้งคนซึ่งจิตใจหยาบหยาบรับยากแต่ธรรมะของท่านก็มีหลายระดับตั้งแต่พื้นๆเลยะ เป็นธรรมะในขั้นจริยธรรมถ้าใครมีธรรมะชนิดนี้ก็อยู่กับโลกเป็นชาวโลกที่ดีเป็นชาวโลกที่มีความทุกข์น้อยหน่อยอยางเป็นคนรู้จักประหยัดมัธยัสมีศีลมีธรรมใช้ชีวิตเรียบง่ายท่านสอนสิ่งเหล่านี้คบคนดีๆธรรมะแบบนี้ศา ส, สนาอื่นก็มีเหมือนกันเนี่ยธรรมะที่ประณีตเลือกซึ้ง เป็นลำดับลำดับขึ้นไปจนถึงขั้นการเจริญปัญญาทำความเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตแจ่มแจ้งแล้วเราจะไม่ทุกข์งั้นจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราศึกษาไปแล้วสิ่งที่เราได้มาคือความพ้นทุกข์ถ้าภาวนาสุดขีดพ้นทุกข์ พอถึงเวลาตายไปก็ได้ดับทุกข์นะะสิ่งที่ทุกข์ก็คือรูปนามขันห้าพวกเรารู้จักไหมขันห้าบอกตรงๆคนไหนไม่รู้จักคำว่าขันห้าเลยมีไหมไม่มีเลยหรอเออนะ <c oughs> ไ, มไม่มียกมือหน่อยคนไหนไม่เข้าใจนะ หลวงพ่อจะได้ อ, อยอย่าวางฟอร์มวางฟอร์มนะั่งคือเรียนธรมรมะจะเป็ดนด้วยว่าต้องว่านั่งเรียบร้อยนะเงียบเงยเรียบร้อยฟังอย่างเดียวสมัยรัธกาลก็ไม่ได้นั่งกันแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้นะบางทีท่านก็ถามที่สอนด้วยกันตั้งคําถามก็มีสอนด้วยกันตอบคําถามก็มี สอนด้วยการเทศเฉยๆก็มีมีหลายแบบสอนด้วยการไม่พูดเลยก็มีบางคนต้องสอนด้วยกันไม่พูดเลยไม่สอนสอนไม่ไหวปล่อยไปก่อนะรอเวลาให้เราเติบโตขึ้นมางั้นถ้าเราตรงไหนไม่เข้าใจบอกเลยนะเงั้นหลวงพ่อนึดว่าแต่ละคนแตกฉานมากเน๋ยวเทศแล้วยากขึ้นยากขึ้นจะมาบทกันทีหลังไม่ได้นะใครไม่เคยฟังซีดีหลวงพ่อเลยมีไหม ยกมือน่อยอยา่าเกรงใจเออัง น, นี้ใครเคยฟังย่กมือหน่ยโอเยอะกว่ากั้นพวกที่ไม่เคยฟังก็ถือว่าบุบฟ่องนะถ้าเสียงข้างมากเขาฟังทำไมไปหลงอยู่ป่าฏิหนไม่ฟังคือถ้าเคยฟังเคยได้ยินนจะรู้ว่าจริงๆแล้วธรรมะไม่ใช่เรื่องยากธรรมะคือการเรียนเรื่องตัวเราเองถ้าเรียนแล้วเราจะพ้นทุกข์ เป้าหมายปลายทางคือพ้นจากความทุกข์นะพระพุทธเจ้าสอนวิธีการสอนทุกอย่างไว้อย่างละเอียดยิบเลยสอนเร้่องแต่ความทุกข์มันมาได้ยังไงเจนกระทั่งเราทํำยังไงเราจะสามารถพัฒนาจิตใจจนพ้นจากความทุกข์ได้นี่เราก็มาดูค่อยๆมาเรียนค่อยๆมาฟังนสิ่งที่ท่านเรียกว่าความทุกข์ถ้าเราไม่พูดแบบโลกโลกนะถ้าพูดแบบชาวโลกก็คือเช่น พอเราแก่ ogether, คนแก่ล้วก็ทุกข์คน mm hmm. ไม่สบายก็เป็นทุกข์คนจะพลัดพรากจากสิ birthday, really ่งที่รักก็ทุกข์คนไปเจอสิ่งที่ไม่รักก็ทุกข์อย่างบางคนไม่ชอบเจ้านายนะไม่ให้ยกมือนะไม่ชอบเจ้านายก็ทุกข์ไหมเจ้านายดีคนนี้เจ้านายคนนี้โปรโมทเรามากเลยจะย้ายไปที่อื่นทุกข์ไหมพลัดพรากพลัดพรากจากคนที่รักก็ทุกข์ เนยธรรมะอันนี้เป็นแบบชาวโลกนะไม่มีคนอยู่มันมีคนทุกข์มีคนแก่มีคนเจ็บมีคนตายแต่ถ้าธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปไม่มีคนท่านสอนบอกว่าควา hair, มแก่เป็นทุกข์นะความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์การประสบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ท่าไม่ได้สอนว่าคนเกิดเป็นทุกข์คนแก่เป็นทุกข์คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์คนอกหักเป็นทุกข์ท่านไม่ได้สอนอย่างนั้น เวลาที่เราฟังธรรมะแล้วเราจะตีความต่ําระดับเสมอเลยคือเราตีความให้เท่ากับระดับใจของเรานั่นแหละใจของเรามันยังไม่ประนีเวลาเราฟังธรรมะที่ประนีลึกซึ้งมันจะลดระดับความเข้าใจมันจะลดระดับลงมาเยอะเลยงั้นอย่างฟังซีดีของพ่อนะถ้าฟังหลายๆรอบใครเคยฟังไหมซีดีแผ่นเดียวเนี่ยแต่ฟังหลายครั้งความรู้ความเข้าใจจะไม่เหมือนเดิมกล้าท้าเลยนะ ความรู้ความเชืเ่อใจไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนวิชาทางโลกโลกนะวิชาทางโลกโลกเราเรียนเวลาเราเข้าใจก็คือเข้าใจแล้วก็เข้าใจอยู่อย่างนั้นนะแต่ในทางธรรมะเนี่ยยิ่งเราเรียนยิ่งฟังยิ่งปฏิบัติไปเนี่ยความรู้ความเข้าใจเราไม่เหมือนเดิมอย่างก็ต้นเราคิดว่าคนแก่เป็นทุกข์ต่อมาเราพบว่าไม่มีคนมีแต่ความทุกข์นะแต่ไม่มีคนทุกข์หรอกความแก่เป็นทุกข์ไม่ใช่คนแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ไม่ใช่คนเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ไม่มีคนความสำคัญมั่นหมายว่ามันมีคนนี่แหละเป็นตัวตั้งตัวตีนะจุดตั้งต้นไม่มีเราขึ้นมาก่อนพอมันมีเราขึ้นมามันก็มีของเรามีเราขึ้นมาเราก็ไปสคัญมั่นหมายว่าเป็นจริงจังอยากให้อยู่นานๆอยากให้อยู่ถาวร อ, อยากมีชีวิตที่เป็นอมาตะมีนักปราชญของกรีกนะ เพเโต้โซเครติสโซเครติสบางคนได้ต้องการความเป็นอมตะอย่างคนมีความรักมีครอบครัวเลยอยากเป็นอมตะอยากดำรงอยู่ตลอดกาลความรู้สึกอย่างนี้มีอยู่ทุกคนไม่ว่าคนกรีกหรือคนไทยก็มีความรู้สึกอย่างนี้อยากจะมีความเป็นอมตะตัวเองอยู่ไม่ได้ก็อยากมีเชื้อสายของตัวเองเหลือรอดอจุนเนื้อลึกซึ้งออกไปมันคือความรักตัวเองทั้งสิ้นเลย ไม่ว่าอะไรๆเนี่ยรากเง่ามันมาจากความรักตัวเองทั้งหมดเลยไม่นคิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆพระพุทธเจ้ามาสอนให้เราเห็นความจริงยัง่งยืนว่าตัวเราไม่มีเ ป, เป็นคําสอนที่ล้างโลกเลยล้างความรู้สึกนึกคิดสวนกระแสอย่างยิ่งดังั้นคนส่วนน้อยหรอกที่จะเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยอมรับได้คนส่วนใหญ่ยอมรับคําสอนในขั้นปรปรมิตของพระพุทธเจ้ารับไม่ไหว ใครเคยอ่านเรื่องการมณิทวาสิทธิ์เคยไหมถ้าเคยอ่านก็แสดงว่าอายุพอสมควรตั้งแต่รุ่นนี้ผมอ่านแฮร์รี่บัฟเตอร์อ่านเลยการมณิตเนี่ยไปเจอพระพุทธเจ้าจ๊อกไหมในบ้านในโรงปั้นหม้อของช่างปั้นหม้อพระพุทธเจ้าเทศให้ฟังเทศอริยศาสต ร, ร, ร์ให้ฟังไม่เข้าใจ คิดอย่างเดียวว่าถ้าเจอพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าคงสอนวิธีที่จะมีชีวิตเป็นอมตะนะจะมีความสุขถาวร น, นิรันดรได้พระพุทธเจ้าคงไม่สอนหรอกว่าไม่มีอะไรเลยนะไม่มีเราฟังแล้วมันแห้งแล้งนะฟังแล้วห่อเหี่ยวใจเนะนี่ยกรมนิสิตคิดว่าพระพุทธเจ้าอะ่นะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรอกไม่เข้าใจคําสอนพระพุทธเจ้าด้วยนะคิดว่าเป็นนักบวชที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยจนวันหนึ่งนะขึ้นไปอยู่ในพรหมโลกแล้ว เข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นมานะยอมรับความจริงว่าตัวตนไม่มีนะก็เข้าถึงนิพพานได้นี่เราจะต้องมาเรียนธรรมะนี่เราจะมาเรียนนะจนกระทั่งเราล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้ถ้าเราล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้แล้วใครจะทุกข์ขันห้าเป็นทุกขนะ์ร่างกายมันแก่ไม่ใช่เราแกนะ่ร่างกายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บร่างกายมันตายไม่ใช่เราตายะ รูปนามรูปประธรรมนามธรรมนะซึ่งรวมกันขึ้นมาเป็นสิ่งที่เราเคยสําคัญมั่นหมายว่านี่คือคนที่เรารักพลากออกไปพลาดลาดไปเราเห็นแค่รูปนามมันผ่านมาแล้วผ่านไปไม่ใช่คนที่เรารักหายไปไม่ใช่คนที่เราเกลียดมาเจอกัเราจะเห็นแต่เป็นรูปประธรรมนามธรรมไม่มีคนความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีคนที่เป็นทุกข์เนี่ยถ้าเข้าใจศาสนาพูดจริงๆแล้วจะเข้ามาถึงจุดนี้ความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีคนได้เป็นทุกข์ ไม่มีเจ้าของอะไรที่เป็นทุกข์ขันห้าเป็นทุกข์ขันห้าฟังแล้วน่ากลัวจริงๆขันแต่ว่ากองแต่ว่าส่วนเป็นส่วนส่วนท่านสอนให้เราแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเราเนี่ยออกมาเป็นส่วนส่วนส่วนที่เป็นรูปธรรมอย่างร่างกายนี้เป็นส่วนที่เป็นรูปธรรมถ้าเราแยกเป็นเราจะเห็นว่ารูปธรรมนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจะล้างความเป็นผิดว่าเป็นคนได้ท่านสอนให้เราแยก สิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวเราเนี่ยออกเป็นเบทนาเมตนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ถ้าเราแยกได้เราจะเห็นว่าความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอีกแยกออกไปเป็นสังขารความปรุงดีความปรุงชั่วอย่างความโลภความโกรดความหลงเป็นสังขารกองสังขารสังขารขันเราก็จะเห็นอีก่ความโกรธไม่ใช่คนถ้าคนไหนหัดภาวนาเห็นความโกรธปุดขึ้นมาเนี่ยจะรู้เลยความโกรธไม่ใช่คน เห็นความสุขปุดขึ้นมาจะรู้เลยความสุขก็ไม่ใช่คนนะเห็นจิตเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่คนนะจิตขอเราไม่ได้มีดวงเดียวนะจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์เดี๋ยวก็รู้ทางตาเดี๋ยวก็รู้ทางหูเดี๋ยวก็รู้ทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะเวลาที่เราดูโทรทัศนะ์สังเกตไหมเราดูดูรูปด้วยเราฟังเสียงด้วยพร้อมๆกันใช่ไหม น่นแหละจะสติเรายัางไม่เร็วพอนะถ้าสติเราเร็วพอเราจะพบว่าในขณะที่ดูนะไม่ได้ฟังในขณะที่ฟังนะไม่ได้ดูรูปที่เราดูเนี่ยเราจะเห็นชัดอยู่แว็บเดียวแล้วจะเบลอๆไปหลวงพ่อจะแสดงปฏิหารให้ดูนะดูหน้าหลวงพ่อพยายามดูให้ชัดนะนักสังเกตดูได้ไหมว่าชัดแว็บเดียวแล้วต้องปรับตาใหม่ดูอีกทีนึงถึงจะชัดขึ้นมาอีกแว็บหนึ่งดูออกไหม แหมอุตสาห์แสดงปาฏิหารยังดูให้เต็มเลยไปตูหมาตูแมวก็เห็นแบบเดียวกันนะเพราะในตาเราเนี้ยมองเห็นรูปเนี้ชัดได้แว บ, บเดียวเนีชัดได้แว บ, บเดีย ว, วเราลองมองหันไปข้างๆนะมองหน้าคนที่อยู่ข้างๆเรานะเราสบตาติ้งปิ้งอนะรีบหมือนหน้าหดีกันใหญ่อย่างเรามองหน้าคนข้างๆนะเราจะเห็นเราจะมองเป็นจุดๆนะ เหมือนต่อจิ๊กซอวนะสังเกตไหมมองได้ทีละจุดเดี๋ยวมองตาซ้ายเดี๋ยวมองตาขวาไหมมองเป็นส่วนๆเห็นไหมเออเคยรู้ไหมเห็นเนี้ยไม่เคยรู้นะเรามองไปดูจริงๆแล้วมันเป็นการเอาภาพมาต่อกันเรามองนะมันจะชัดขึ้นแว๊บเดียวแล้วมันจะเบลอไปนะแต่ว่าสัญญาคือความจําเนี่ยมันจําภาพเก่าไว้แล้วก็ไปมองอีกที่หนึ่งหนังก็ชัดขึ้นมาอีกแว บ, บหนึ่งแล้วก็เอามาต่อกันะ เรามองหลายครั้งมากเลยกว่าจะเห็นหน้าคนคนหนึ่งได้นี่จริงๆแล้วนี่นี่คือจิตที่เกิดทางตาจิตที่เกิดทางตาที่เกิดทีเราแวบเดียวเท่านี้นี่คือสิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเรื่องของตัวเราเองแท้ๆเลยการที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นกระทั่งเรื่องทางวัตถุนะเรื่องทางวัตถุเนี่ยเรายังไม่ค่อยรู้เลยแล้วเรื่องทางจิตใจยิ่งไม่รู้ใหญ่เวลาเรากินข้าว เราหายใจกินข้าวเราหายใจข้าวหรือหายใจออกใครกินข้าวเป็นบ้างเอาไงดีไม่รู้อีกแล้วตายเราเหรอเวลานั่งเก้าอี้นะ่ะเก้าอี้อย่างนี้น <c oughs> ตอนจะลุกขึ้นนะ่ะขยับอวัยวะส่วนไหนก่อนขยับมือแปลกไหมนะ่ะ นี่จะตั้งเรื่องทางรูปธรรมนะเราก็ไม่เคยเรียนรู้นี่เรื่องทางนมามธรรมเรื่องทางจิตใจยิ่งรู้ยากหนักก็อีกะงั้นเราก็ค่อยๆมา ห, าเนะมาหาเัเรียนนะมาหัเรียนเรียนลงไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งจะเห็นเลยก็ร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเรานะความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเรากุศนะลนกะุศลทั้งหลายเช่นสติปัญญาศรัทธาวิริยะอะไรพวกนี้ยนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา กิเลสทั้งหลายก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นี่ใช่เราไม่ใช่เขาจิตก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเกิดที่ตาเนี่ยเกิดที่หูนะเวลาเราดูโทรทัศน์นะวันนี้กลับบ้านเราไปสังเกตให้ดีขณะที่ดูรูปชัดเนี่ยนะเสียงจะไม่ชัดขณะที่ฟังเสียงได้ชัดเนี่ยตาที่เห็นรูปนั้นจะเบลอไปนะแล้วพอฟังคําพูดของเขาสองสามคำเราจะไม่ดูเราจะไม่ฟังแต่เราจะคิด จะสลับกันตลอดเวลาระหว่างการดูการฟังการคิดนี่เป็ น, นกลไกการทํางานของจิตจิตเดี๋ยวก็ออกไปรู้รูปเดี๋ยวก็ไปฟังเสียงเดี๋ยวก็ไปทํางานทางใจคือไปคิดสิ่งเหล่านี้พวกเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเราก็เลยคิดว่าจิตเที่ยงจิตเมียันเดียวแหละรู้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมๆกันได้หลายอย่างงั้นถ้าเรารู้หลักกันนี้แล้วเนี่ยบางคนนะน่าสงสารเสียงเงินมากๆนะไปร้านอาหารที่อร่อย มีเพลงเพราะๆฟังด้วยนะมันยา ก, ากาศก็ดีะอากาศสบายขาดทุนยับเยินเลยเพราะอะไรเพราะขณะที่กินของอร่อยไม่ได้ยินเพลงที่เพลาะนะเสพได้อันเดียวนะแต่ซื้อบริการหลายอันขาดทุนนะขณะที่ฟังเพลงเพราะๆกินอะไรยังไม่รู้เลยนี่หรอไหมเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยน่รู้อารมณ์ได้คข่าวอะไรอย่างข่าวอะไอยัง เนี่ยเราลองมาเรียนเรื่องจิตเรื่องใจของเรานะเรียนเรื่องกายเรียนเรื่องใจมีเรื่องอะไรอีกมากมายเลยที่เราไม่รู้เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นทั้งที่เป็นเรื่องของตัวเราเองให้นับดาวบนฟ้านี่ยังพอง่ายนะนับกดตานับยากนับยากแม่นับนั บ, นบงเนาะนับยากเรียนเรื่องตัวเองยากเพราะมนุษย์เนี่ยสนใจออกนอกสนใจสิ่งอื่นสนใจคนอื่น ลืมตาขึ้นมาก็ดูคนอื่นก่อนแนละ้วะมีใครเริืมตารีบมาดูกายดูใจมีไหมไม่มีอ่ะมีแต่เริืมตาก็ดูคนอื่นไว้ก่อนพระพุทธเจ้าสอนให้เราโอปัญญิโกนะน้อมกลับเข้ามาเรียนรู้ตัวเองมาเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็ามีร่างกายกับจิตใจนะถ้าพูดละเอียดลงไปก็คือรู ป, รปนามนะแยกออกไปละเอียดก็เป็นขันหนะ้าแยกออกไปอีกเงั้นสิ่งที่เรียกว่าขันห้าอย่าไปกลัวมันขันแปลว่ากองะ ก็คือห้ากองห้าส่วนนะ Five division อะไรนะไม่ไม่ใช่เรองอะไรนักกลัวในเรื่องตรงเรื่อ ง, ง, งตัวเองสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราขึ้นมามหาเรียนรู้ดูนะให้ความใส่ใจกับตัวเองสักหน่อยนะแทนที่จะทิ้งตัวเองตลอดเวลาคนเรานี้อาภัพเรารักตัวเองที่สุดนะแต่เราลืมตัวเองบ่อยที่สุดเลยวันวันหนึน่งเราชอบคิดถึงคนอื่นนึกออกไหม ไม่ก็ถ้าคิดถึงเรื่องของเราเองนะไม่คิดอยู่ในปัจจุบันชอบคิดถึงเรื่องของเราในอดีตคิดถึงเรื่องของเราในอนาคตใครชอบคิดเรื่องของเราในอดีตบ้างยกมือซีมีไหมแก่แล้วเนี่ยแกนะ่เครื่องวัดเลยแล้วนะใครชอบคิดถึง อ, อนาคต น, นี่ยังหนุ่มยังสาวอยู่นะแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติจะรู้อยู่ในปัจจุบัน นะปัจจุบันเป็นของจริงนะอดีตไม่มีแล้วจบไปแล้วอนาคตยังไม่เกิดขึ้นเราชอบไปหาสิ่งซึ่งมันไม่มีไม่มีอยู่ในอดีตไม่มีอยู่ในอนาคตใจชอบหลงไปเราล้าเลยที่จะเรียนรู้ตัวเองในปัจจุบันนะงั้นวันนี้หลวงพ่อมาชวนพวกเราเมื่อเรียนรู้ตัวเองในปัจจุบันทุถ้าเรียนรู้ได้แล้ววันหนึ่งจะพ้นจากความทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือตัวนี้เองนะขันห้านี้เองตัวตายตัวใจของเรานี่เอง นะตัวกายตัวใจของเราจริงๆเป็นสมบัติของโลกนะเรามาอาศัยมันอยู่ยืมเข้ามาใช้แต่เราไปห่วงว่าเป็นตัวเรานะพอสมบัติของโลกตัวนี้มันเริ่มแก่ใช้มันมานานแล้วมันเริ่มคล่ำาเหมือนรถยนต์นะใช้ไปหลายปีมชักเก่านะเราก็ว่าเราแก่ทีไรรถยนต์เก่าไม่ให้บอกว่าเราแก่เนอะนะรถยนต์ก็ไม่บ่นว่ารถแก่เนะี่ยเรายืมโลกมาใช้นะแต่เราสำคัญมั่นหมายว่ามันเป็นเรา แตนะ่พอใช้มันหลายปีมันเก่าไปเราบอกว่าเราแกนะ่ใช้ไปแล้วเครื่องยนต์สะดุดนะแข้งขาไม่ค่อยจะดีนะเราเจ็บนะแต่อไปตัวนี้ธาตุขันนี้แตกออกแล้วว่าเราตายนะไม่มีเราขึ้นมาเราไม่มีในะความเป็นจริงเราไม่มีถ้าคนไหนภาวนาเป็นแยกธาตุแย ก, แยกขันไปได้นะร่างกายอยู่ส่วนร่างกายจิตอยู่ส่วนจิตความรู้สึกสุขทุกข์อยู่ส่วนความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ กุศลอกุศลอยู่ส่วนความรู้ความเป็นกุศลกุศลถ้าแยกได้จะพบว่าแต่ละอันไม่มีเรานะแล้วพวกเราลองทดลองนะลองจับแขนตัวเองดูจับรู้สึกมันแข็งแข็งไหมนะตรงที่กระดูกก็แข็งใช่ไมตรงที่เนื้อก็นิ่มรู้สึกไหมตัวที่แข็งเป็นตัวเรารู้สึกไหมใครรู้สึกว่าความแข็งอันนี้เป็นตัวเราเปล่แต่ถ้าจับแขนก็แขนเราใช่ไหม นะแต่ถ้าจับลงไปที่สัมผัสลงไปที่ส่วนที่แข็งนะตัวที่แข็งนี่เขาเรียกว่าธาตุดินธนะาตุดินนี่มีลักษณะแข็งนะงั้นมือเราสังเกตไหมบางบางส่วนก็เย็นบางส่วนก็ร้อนนะใครรู้สึกไหมตรงที่ร้อนเป็นตัวเราใครรู้สึกว่าความร้อนเป็นเรามีไหมใครรู้สึกว่าความเย็นเะป็นเรามีไหมใครรู้สึกว่าท่อนแข็งแข็งนี้เป็นตัวเรานะเนี่ยถ้าสัมผัสเข้าไปในตัวธาตุจริงๆจะไม่เป็นเราละ นะจะไม่ใช่เรา ล, ลองดูนะเป็นนวดนว ด, นวดอยู่บ้านเราไปนั่งนวดดูแก้เมื่อยดีนะ <c oughs> แต่ไม่ใช่นวดลบเพลิเลนเลยนะเพลินใจลอยนี้ไปที่อื่นแล้วรู้สึกไปบนีเป็นเราเปล่าเนี่ยเป็นเร า, าไหมนะสัมผัสลงไปดูนี่มาเรียนรู้ของจริงนะเรียนรู้ความจริงนี่คือตัวรูปแล้วนะต่อไปเราถ้าเราเราลองดูรูปแล้วที่เห็นเลยตัวเย็ดตัวร้อนตัวอ่อนตัวแข็งเนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะ คามเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งนี่คือตัวธาตุคือวัตถุที่แท้จริงไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาถ้าเรามาดูความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์อย่างเรานั่งอยู่นานๆมันเมื่อยพอมันเมื่อยขึ้นมาเราอย่าเพิ่งเปลี่ยนอิริยาบถเราค่อยๆดูลงไปทําใจเย็นๆนะค่อยๆดูลงไปความปวดความเมื่อยกับขาถึงเวลเรานั่งภท่าสมาธิมันเม่ยขาหรืออย่างนั่งเก้าอี้อาจจะบางคนเมื่อยคอ แต่นั่งเองมากไปเมือ่อยคอหรือเมื่อยหลังเราค่อยๆรู้สึกลงไปความปวดความเมื่อยกะร่างกายนะเปดโคนละอันกันร่างกายนั่งอยู่ก่อนความปวดความเมื่อยมาทีหลังนะเพราะงั้นมันเป็นคนละอย่างกันไม่ใช่อันเดียวกันคนละอย่างกันนี้ก็เรียกว่าโคนละขันกันนั่นเองเป็นคนละขัน เราดูเราไปอีกความปวดความเมื่อยก็อันหนึ่งนะร่างกายก็อันหนึง่งจิตใจของเราที่เป็นผู้รู้ผู้ดูก็เป็นอีกอันหนึง่งไม่หัดแยกไปเลยถ้าเราแยกเป็นนะต่อไปเราจะเห็นไตรลักษณ์ไปหมดเลยจะเห็นในะร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งก็ไม่ใช่เราความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ทางร่างกายความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความเฉยเฉยทางจิตใจก็ไม่ใช่เรา เราไปดูไปเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ไม่ใช่เรานะดูลรไปอีกนะใจที่มันปรุงดีปรุงชั่วบาทีมันก็คิดเรื่องดีมัคิดเรื่องชั่วยังอยากฟังธรรมนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นกุศลอยากฟังธรรมความอยากที่จะฟังธรรมถ้าเราเห็นนะเราจะเห็นว่าไม่ใช่คนหรอกความอยากความรู้สึกอ่ะความรู้สึกเป็นคนตรงไหน น, นะมันเป็นเราได้หรือความรู้สึกไม่ใช่เราเหรอก เมื่อต่อไปนี้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจเราก็คอยรู้เอาเหมือนอย่างทางร่างกายเราเนี้ยสัมผัสดูความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งก็ไม่ใช่คนความปวดความเมื่อยความสุขความสบายในร่างกายก็ไม่ใช่คนนะไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ทางใจก็ไม่ใช่เราดูไปด้วยเวลามันเกิดขึ้นความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นดูเฉยเฉยอย่าไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปหาทางทําให้หายนะ ก็เราจะพานาจะพลาดอยู่เรื่องเราแยกไม่ออกระหว่างสมถะกับวิปัสนาสมถะจิตไม่ดีทําให้ดีจิตไม่สุขทําให้สุขจิตไม่สงบทําให้สงบนะมุ่งทําให้ให้ดีให้สุขให้สงบส่วนวิปัสนานะั้นเรียนให้เห็นความจรงิงว่ามันไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขานะมันมีแต่ของที่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างเนะี่ยถ้าถ้าทํำวิปัสนาได้นะมากผลถึงจะเกิดนะทําสมถะมากผลไม่เกิดเราคนละเรื่องกันเลยนะ การ ท, ทำสมาธาิทําสมถะมีมาก่อนพุทธกาลอีกแต่พระพุทธเจ้าไม่ปฏิเสาธาแล้วทําสมถะแล้วถ้าต่อยอดนะมันไปได้ง่ายทําความสงบแล้วต่อยอดเนี่ยไปได้ง่ายดีกว่าไม่ทําเลยนะนท่านก็โอเคถ้า ร, ารับเอาเรื่องของสมถะเข้ามาไว้ในพระพุทธศาสนาแต่ตัวแท้แท้ของพระศาสนานีคือตัวสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยเกิดจากการที่เราจเจริญนิพพสนาให้มากเราจะได้สัมมาทิฏฐิตัวแท้แท้มาจะเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มี เราค่อยมาแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเออกเป็นส่วนส่วนส่ว น, วนของร่างกายส่วนของความรู้สึกสุขทุกข์ส่วนของความปรุงดีปรุงชั่วส่วนของความรับรู้อย่างรับรู้ทางตารับรู้ทางหูรับรู้ทางใจถ้าเราแยกเป็นนะเราะพบว่าไม่มีตัวเราคล้ายๆมีรถยนต์อยู่หนึ่งคันเราคิดว่ามีรถยนต์จริงๆจับมาถอดเป็นชิ้นๆลูกร้อไม่ใช่รถยนต์ใครเห็นลูกร้อเป็นรถยนต์ก็เพี้ยนแล้วใช่ไหมแต่รถยนต์ไม่มีลูกร้อได้ไหม ไม่ได้ก็ไม่ใช่รถยนต์ก็วิ่งไม่ได้ใช่ไหมทำงานไม่ได้เี่ยพวงมาลัยเป็นรถยนต์ไหมปวงมาลัยก็ไม่ใช่รถยนต์แต่รถยนต์ก็ต้องมีปวงมาลัยเห็นไหมลูกเบานะตัวถังไหมถังน้ํามันเครื่องยนต์แต่ละอันตราะอนไม่ใช่รถยนต์นการที่เรามีรถยนต์หนึ่งคันแล้วเราถอดออกเป็นชิ้นชิ้นชิ้นแล้วพบว่ารถยนต์หายไปไม่มีรถยนต์จริงรถยนต์เป็นการที่อะไรหลายหลายอย่าง มาประกอบกันหลายร้อยหลายพันชิ้นมาประกอบกันสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี่เหมือนกันถ้าเราจับแยกเป็นส่วนๆว่า น, นี่เป็นส่วนของรูปเป็นส่วนของกายนี่เป็นส่วนของเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์นี่เป็นส่วนของสังขารคือความปรุงกุศลปรุวอาุศลนี่เป็นส่วนของจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิน้นใจใจก็แยกออกมาได้แยกสิ่งที่เป็นตัวเราออกมาได้ก็จะพบว่าตัวเราไม่มีเหมือนที่จับรถยนต์มาถอดเป็นชิ้นๆนั่นเองนะงั้นเวลาที่เราหัด เรียนเจริญปัญญาหัดทำกรรมฐานทำวิปัสสนาเนี่ยเรามาแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเป็นส่วนๆนะงนั้นเริ่มต้นจะเจริญปัญญาเนาะหัดแยกครูบาอาจารย์ท่านชอบบอกว่าแยกธาตุแยกขันธ์คนะือมาหัดแยกตัวเองเป็นชิ้นๆเป็นส่วนๆไปกนะ็พบ ว, ว่าตัวเราหายไปแยกไปแยกไปนะถึงจุดที่ปัญญามันพอมันก็สรุปตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีนะเห ม, ม, มือนรถยนต์ไม่มี สิ่งที่เรียกว่าตัวเราเป็นการประกอบกันขึ้นมาของขันต่างๆมารวมตัวกันแล้วจิตของเราไปสําคัญมั่นหมายว่ามันมีตัวเราขึ้นมาก็ามันมีตัวเรามันก็เกิดความรักในตัวเองมีเราแล้มันก็รักตัวเองใช่ไหมอยากให้มันอยู่ทำาตาถาวรอะไอยู่ไม่ได้ก็ต้องมีลูกมีหลานอะไรต่ออะไรสืบทอดไปอย่างน้อยให้ยีนของเราเหลืออยู่ในโลกนะลึกๆมันเอาอย่างนั้นนะมันรักตัวเองที่สุดเลย และถ้าเราหัดสังเกตตัวเองให้ดีนะไม่ว่าเราทําอะไรนะสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการกระทาของเรานะคือตัวเราทั้งนั้นเลยตัวเราซ่อนอยู่ตลอดเลยแค่จะทิ้งขยะนะวางมากเท่ๆทิ้งด้วยความรู้สึกเท่ๆแบบมันภูมิใจนะนี่ฉันนะนี่ฉันนะเราสังเกตให้ดีความเป็นตัวตนที่ซ่อนอยู่อย่างประณีตลึกซึ้งในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําเลย เวลาพูดก็จะต้องแฝงความเป็นตัวเป็นตนเข้าไปอย่างเวลาเราอยู่ตรงนี้เป็นผู้บริหารใช่ไหมเราพูดกับลูกน้องเราต้องมีมาสใช่ไหมเราไปพูดกับเมียต้องเป็นอีกอย่างหนึ่งต้องนอบน้อมหน่อย <c oughs> <c oughs> อถ้าพูดกับลูกใช่ไหมเหมือนพูดกับเจ้าหนายเนี่ยแต่ละคนนะมันจะต้องมีมีเปลือกนาราชนิดนะแล้วเปลือกอย่างนี้แหละได้พรีเซชั้นละชั้นะ เราสร้างเปลือกขึ้นมาเพื่อจะหอหุ้มความเป็นตัวเราไว้ต้องมีมาส์กนะมีมาส์กเพื่อย้ําให้คนอื่นเขาเชื่อว่านี่คือฉันนะทําไมต้องให้คนอื่นเขาเชื่อว่านี่คือฉันเพื่อฉันจะได้เชื่อว่าฉันยังอยู่ใครเคยฟังเพลงฉันยังอยู่บ้างถ้าใครเคยฟังก็แก่แล้วแหละงัมาเรียนนะมาเรียนกรรมฐานม า, า, นมาหัดแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วน วิธีที่เราจะสามารถเห็นความไม่มีตัวตนของขันห้าได้มีเครื่องมือสองตัวตัวที่หนึ่งชื่อสติตัวที่สองชื่อสัมมาสมาธิสติเป็นตัวรู้ทันว่าอะไรเกิดขึ้นในกายในใจเป็นตัวรู้ทันเท่านั้นนะสติคล้ายๆเป็นยามอะไรมาสติเป็นตัวรู้คอยรู้ทันยามก็ต้องอยู่ในป้อมมีป้อมเอาไว้นั่งเอาไว้ยืนดูคนไปดูคนมา ตรงที่จิตมันตั้งเข้าปั้มอยู่คือมันส่งสมาธิอยู่นะะหูตามันต้องว่องไวอะไรผ่านมาแปลปลอมขึ้นทางกายคอยรู้สึกอะไรแปลปลอมเข้ามาในใจคอยรู้สึกนะพวกเรารู้สึกไหมแต่ละวันความรู้สึกของเราไม่เหมือนกันรู้สึกไหมที่นี่ทํางานกี่วันอนาะทิตย์หนึ่งห้าวันตามเตื่นนอนมาวันจันทร์กับตื่นนอนมาวันศุกร์เนี้ยความรู้สึกไม่เหมือนกันนึกออกไหม อตื่นนอนวันเสาร์ใช่ไหมกับวันจันทร์ก็ไม่เหมือนกันนึกออกไหมว่าไหนเซ็งที่สุดวันจันทร์ทั้งทั้งที่มันก็วันเหมือนวันอื่นเนาะทําไมอ่ะทําไมความรู้สึกไม่เหมือนกันเรานึกได้วันที่ต้องไปทํางานวันพุธกับวันจันทร์ความรู้สึกก็ไม่เท่ากันเนี่ยมันก็จะเซ็งๆหน่อยรู้สึกไหม วันพฤหัสจะเริ่มมีความสุขเข้าใจไหมแต่วันสุกร์จะกะดีกระดาใช่ไหมเนี่ยพูดอย่างนี้รู้ละใช่ไหมนี่แหละเราดูจิตของเราเป็นเราละเลยที่จะดูเท่าตัวเองเรามาเรียนรู้สิความรู้สึกของเราเนี่ยไม่เคยคงที่เลยแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยความรู้สึกของเราไม่เหมือนกันล้ววันเดียวกันเหมือนกันไหมเช้าสายบ่ายเย็นไม่เหมือนใช่ไหม เนี่ยเราซอยชีวิตเราให้เป็นช่วงเล็กๆลงเรื่อยๆนะทีแรกก็ซอยเป็นวันๆเราพบว่าแต่ละวันความรู้สึกไม่เท่าเทียมกันต่อมาเราซอยในวันเดียวกันนะเช้าสายบ่ายเย็นความรู้สึกไม่เหมือนกันเช้าของวันทํางานกับเช้าของวันหยุดเนี่ยความรู้สึกก็ต่างกันใช่ไหมนี่คนละวันนะเช้าของวันทํางานกับตอนสายของวันทํางานความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันตอนเที่ยงกับตอนเย็นความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันความรู้สึกของเราเนี่ยเปลี่ยนตลอดเวลาะ นี่นเรามาหัดดูนี่สติจะเป็นคนคอยรู้ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปทีแรกดูเป็นวันๆหัดดูอย่างนี้นะต่อมาดูในวันเดียวกันนี่นะเช้าสายใบเย็นความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันต่อมาดูได้ละเอียดขึ้นไปอีกเราจะพบว่าขณะที่มองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่หูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสความรู้สึกก็เปลี่ยนอย่างอากาศร้อนๆนะลมเย็นๆพัดมามีความสุขเห็นไหม อากาศกำลังหนาวเยือกเลยลมลมเย็นพัดมาไม่มีความสุขละหรืออากาศร้อนๆนะเห็นน้ำเย็นเย็นอยากอาบเห็นไหมหน้าหนาวเห็นน้าเย็นเย็นสยองนะในความรู้สึกมันไม่เหมือนกันทุกคนรู้ความรู้สึกของตัวเองเป็นรู้จักทุกชนิดเลยความรู้สึกอะโกรธก็รู้จักโลภก็รู้จักไหมใครไม่รู้จักโกรธมีไหมก็เพียนเราไม่รู้จักอะ นะคงต้องพิจารณาแล้วผู้บริหารว่ราลูกน้องคนนี้มันไม่รู้จักอะไรเลยนะไม่รู้จักอะไรที่เป็นเรื่องของตัวเองเลยคงจะรู้เรื่องของคนอื่นเยอะก่อนะ <c oughs> รู้สึกต่างๆนั้นเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะรู้หลวงพ่อนะ เ, เดินไกรสาหลวงพ่อบอกว่าการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติมัน <c oughs> จะยากอะไรความรู้สึกอะไรกาลังปรากฏอยู่ในขณะนี้ค่อยรู้ทันไปนะ แค่นี้เองไม่ได้มีอะไรยากหรอกนะเช่นเราเจอหน้าลูกค้าคนเนี้เรู้สึกไหมลูกค้าสองคนเนี่ยเราเห็นเขาเนี่ยความรู้สึกเราไม่เหมือนกันลูกค้าคนนี้พูดง่ายอย่างเนี้ยเราเห็นเราชอบนะลูกค้าคนนี้จู้จี้พูดมากเราก็ไม่ซื้อนะอย่างเนี้ยเราเห็นแล้วเราก็ไม่ชอบนะนะแค่ตามองเห็นนะความรู้สึกเราก็เปลี่ยนนะเห็นสาวสวยเดินอยู่ริมถนนสนใจชอบนะเห็นหมาบ้าวิ่งมากลัว ความรู้สึกเปลี่ยนไหมพอตามองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนได้ยินเสียงบางอย่างก็หัวเราะขำได้ยินเสียงบางอย่างก็เศร้าฟังไปแล้วก็เศร้าใจอะไรเงี้ยฟังเบบียก็ดีใจฟังไปบางอีคราวก็รู้สึกอาลัยอาวรณ์มีความรู้สึกมันหมุนไปความรู้สึกของเราเนี่ยเปลี่ยนตามการกระทบตามองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นความรู้สึกก็เปลี่ยน อยู่ในบ้านแล้วอยู่ได้กลิ่นเน่าๆขึ้นมาสดชื่นไหมกัง ว, วลสิเนาะตัวอะไรมาตายในบ้านไม่สบายใจความรู้สึกมันเปลี่ยนอยู่ที่วัดถ้าได้กลิ่นแบบนั้นมาไม่รู้สึกกังวลหรอกนะแต่มันจะกลัวแทนนะสราใสผีมาละนะีความรู้สึกจมูกได้กลิ่นความรู้สึกก็เปลี่ยนะลิ้นกระทบรสความรู้สึกก็เปลี่ยนนะกินของอร่อย ใครชอบกินอะไรบ้างเอาจะอาชอบกินอะไรหุ่นน่าจะกินเก่ง<ไหน>อะไรนะบะหมี่เกี๊ยวเนี่ยชอบบะหมี่เกี๊ยวสอด ก, กําลังหิวหนะิวเนี่ยคําแรกอร่อยที่สุดใช่ไหมกินไปเรื่อยๆดีกรีของความพอใจค่อยๆลดลงนึกออกไหมมันไม่เที่ยงนะแล้วเราแทนที่จะกินบะหมี่เกี๊ยวเลือๆแป๊บเดียหมดชามนะเรู้ทันใจเราจะเห็นเลยคำแรกเนี่ยพอใจมาก สมาเนี่ยความพอใจจะค่อยๆลดลงแลพอถึงชามที่สามเนี่ยเอียนมากเลยไม่ไม่อยากกินละเนี่ยลิ้นกระทบรถนะรสเดิมด้วยซ้ําไปคนละช่วงเวลานะความรู้สึกยังไม่เหมือนกันเลยนะให้เราคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองบ้างแค่ความรู้สึกของตัวเองนะหัดกรรมฐานไม่ต้องไปหัดอะไรมากมายนะถึงเวลาก็ทําความสงบไม่พาส่วนมันนั่งสมาธิเดินจงกลมทำสมถะทํทำไป แต่เวลาที่เหลือเนี่ยมาหัดมีสติสติอยู่ในชีวิตประจําวันที่จะง่ายง่ายสติในชีวิตประจำวันของเราเนะร่างกายเคลื่อนไหวคอรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงคอยรู้สึกฝึกเท่านี้แหละพอแล้วนะแค่นี้แหละมรรคผลนิพพานไม่หนีไปไหนละนะถึงเวลาตื่นนอนตอนเช้าหรือตอนค่าไหว้พระสวนวันนั่งสมาธิเดินจงกรมแบ่งเวลาไว้ทําวันหนึ่งสินาทีสิบห้านาทีก็ยังดนะีส่วนเวลาที่เหลือเนี่ย อย่างร่างกายเคลื่อนไหวแล้วจะเดินไปนถ้าไม่รู้ตัวนะเดินตกท่อก็ได้ใช่ไหมในกนรทมนี่อันตรายมากขุดตรงน้นตรงนี้เยอะแยะไปหมดเลยะถ้าเดินด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวนะถ้าเดินอย่างพระก็ลำบากเหมือนกันนะเดินพระเนี่ยต้องเดินมองต่ำตํำๆหน่อยใช่ไหมหัวพิวคอะไรก็มีนะในกรุงเทพ ม, มันห้อยอะไรต่ออะไรเกะาะไปหมดเลยนะนนก็ต้องคอยรู้สึกตัวไว้นะแล้วจิตใจเราเป็นยังไงเราคอยรู้สึกไว้ทุกคนรู้ได้อยู่แล้ว ทีแรกก็รู้วันนี้กับวันนี้ไม่เหมือนกันต่มาละเอียดขึ้นเห็นว่าเช้าสายบ่ายเย็นค่ำไม่เหมือนกันนะต่มาดูละเอียดขึ้นขนาที่ตา ม, มองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่หูได้ยินความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่ลิ้นได้กระทบรสความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่ใจคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนนะตาหูจมูกลิ้นใจ ใ, ใจกระทบอารมณ์ความรู้สึกเปลี่ยนตลอดให้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแลยต่อไปนานๆเราจะเกิดปัญญาขึ้น เราจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวหมดเลยอนะย่างเป็นต้นว่าเรากระทบอารมณ์นี้มีความสุขเกิดขึ้นนะความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไป hotter, กระทบอารมณ์อย่างนี้เกิดความทุกข์ขึ้นแล้วก็คอยรู้คอยดูไปเราก็จะเห็นว่าความทุกข์อยู่ชั่วคราวแลนะ้วก็หายไปกุศลนกุศลอย่างความ โ, uh huh. ามโกรธก็อยู่ชั่วคราวความโลภ ก, ก็อยู่ชั่วคราวฟุนะ้งซ่านก็อยู่ชั่วคราวหดหู่ก็อยู่ชั่วคราวดีใจเสียใจก็ชั่วคราวไปหมดเลยการที่เราซอยชีวิตของเราเป็นช่วงเล็กๆนะ พลอยเป็นช่วเล็กๆแล้วเราจะเห็นเลยชีวิตของเรานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลากนะารที่เราเห็น ว, ว่ามันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะจะเริ่มล้างความเห็นผิดว่ามีตัวตนถาวรได้นะจะเริ่มเห็นเป็นทุกอย่างเกิดแล้วดับถ้าเมื่อไรจิตยอมรับความจริงนะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาเราจะได้พระโสดาบันพระโสดาบันใครเคยได้ยินชื่อใครเคยรู้จักพระโสดาบัน ใครจะไปรู้อ่ะเนาะ <laughs> ถึงเดินชนยังไม่รู้เลยนี่ไหมเราไม่มีป้ายแผลนคอเมือนพวกเราเนี่ยมีป้ายนาน า, นานชนิดนะ้กสุดับบันจริงๆคือท่านผู้ล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนเห็นความจริงแล้วว่าตัวตนไม่มีหรอกมีแต่รูปธปรรมนามธรรมารูปธรรมก็ไม่ใช่คนนามธรรมาก็ไม่ใช่คนความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่คนกุศลอะกุศลก็ไม่ใช่คนจิตก็ไม่ใช่คนจิตที่รั้วรมทางตา เกิดแล้วก็ดับจิตที่รู้ว่ารมทางหูเกดด Edin ิดแล้วก็ดับจิตนทะี่หนีไปคิดเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วดับหมดเลการที่เห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกนะดูไป เ, เรื่อยเจ็ดวันเจ็เดือนเจ็ดปีดูซ้ําไปเรื่อยถึงว่าหนึ่งมันต้องหายงูเขา้าจนได้นะี่รู้ความจรงิงขึ้นมาตัวเราไม่มีถ้าตัวเราไม่มีใครจะทุกข์เป็เรื่องของใครสิไม่เกี่ยวกับเราละกายมันแก่เราไม่ได้เดือดร้อนนะ ร่างกายมันแก่มันยังไม่บ่นเลยเราไปบ่นแทนมันทุกทีใช่ไหมใครมีตีนกาบ้างมีไหมคุณสาวๆตีนกาขึ้นอันแรกอ่ะหวั่นไหวไหมอันที่ยี่สิบขึ้นเฉยๆนะคือมันไม่ไหวแล้วไงมันเยอะแล้วเนี่ยหน้ามันเหี่ยวอะแต่ใจมันทุกข์นั่นออกไหมหน้ามันเหี่ยวใจมันทุกข์ทำไมใจมันทุกข์มันเปนหน้าเรา แต่ถ้ามันเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราเนะี่ยไม่เหี่ยวกับเรื่องของมันเลยไม่ใช่เราเหี่ยวเนี่ยหน้ามันเหี่ยวนะทําได้ไหมส <c oughs> ายหน้าเลย <c oughs> ต้องฝึกเอานะถ้าไม่งั้น เ, นาเราก็ชีวิตเราก็วนเวียนอยู่กับความทุกข์ตลอดไปแหละความแกแ่เราก็หนีพ้นที่ไหนล่นะถ้าเราฝึกจิตฝึกใจของเราได้ดีแนะ้วพอร่างกายแก่ก็เห็นร่างกายมันแก่ไม่ใช่เราแก่ ร่างกายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บนะร่างกายมันตายไม่ใช่เราตายนะจิตใจไปเจอสิ่งที่พอใจเจอสิ่งที่ไม่พอใจก็เรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราถ้าฝึกมากเข้ามากเข้าความทุกข์จะหายไปความทุกข์จะน้อยลงน้อยลงนะใครเคยหัดดูจิต ด, ดูใจก็จะเห็นทุกอย่างเกิดเราก็ดับคนไหนดูร่างกาย ก, ายก็จะเห็นเกิดดับได้นะร่างกายเดี๋ยวก็หายใจออกร่างกายเดี๋ยวก็หายใจเข้า ในร่างกายที่หายใจออกอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปกลายเป็นร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายหายใจเข้าอยู่ชั่วคราวก็าหายไปเป็นร่างกายที่หายใจออกไม่ร่างกายก็ไม่เที่ยงตัวที่นั่งหายใจอยู่นะถ้าดูเป็นนะใจเป็นคนดูขึ้นมาใจมีสมารธริตั้งมั่นมันจะมีลักษณะถอนตัวขึ้นมาเป็นคนดูถ้าใจถอนตัวขึ้นมาเป็นคนดูลดออกจากปรากฏการเห็นปรากฏการของรูปธรรมนามธรรมไรลผ่านไปใจเป็นแค่คนดูเฉยๆไ ม, ม, ihat, ม, ม่ <blaming misin? S 2> ม Sail, ีเราจะไม่มีเรา จะเห็นร่างกายที่ยืนเดินแน่นอนไม่ใช่เราะเห็นร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่เราเห็นความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ไม่ใช่เราเห็นความโลภความโกรธความหลงเห็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไม่ใช่เราเห็นจิตที่เกิดทางตาแล้วก็ดับจิตเกิดทางหูแล้วก็ดับนค่อยๆฝึกไปค่อยๆหัดค่อยๆรู้ทุกวันทุกวันฝึกไปเรื่อยเรื่อแจ่มแจ้งขึ้นจนได้หรอกมันก็ต้องหายโง่เขาสักวันหนึ่งหรอกความโง่เขาไม่เที่ยงเหมือนกันนะ แต่เราชอบเติมเชื้อให้มันนัดต่อไปนะัดพยายามฝึกเขานะพยายามรู้สึกตัวขั้นแรกเลยอย่าใจลอยคนในโลกนี้ชอบใจลอยเวลาที่เราใจลอยเนี่ยเรามีร่างกายเราก็ลืมลืมไปเรามีจิตใจเราก็ลืมมันไปเราลืมตลอดเลยเรารักตัวเองแต่เราลืมตัวเองตลอดนะเนี้ยเราพยายามรู้สึกตัวขั้นแรกเนี่ยรู้สึกตัวบ่อยๆ อย่าใจลอยวิธีที่จะช่วยเราให้รู้สึกตัวได้บ่อยนะหาอารมณ์อันหนึ่งมาเอามาเป็นเครื่องอยู่ของจิตมาเป็นบ้านให้จิตพักคนไหนถนัดพุทธโธอยู่กับพุทธโธคนไหนชอบรู้ลมหายใจอยู่กับลมหายใจคนไหนอยากดูท้องพองยุบดูท้องพองยุบแล้วสบายใจก็ดูท้องพองยุบอะไรก็ได้นะหาอารมณ์กรรมาฐานขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันใจที่หนีไิคิด ให้กันบ้านแล้วนะต่อไปนี้นะ่าทากรรมฐานใครชอบอะไรเอาอนนั้นแหละะแต่นินทาชาวบ้านใช้ทํากรรมฐานไม่ได้นะบอกชอบนินทาชาวบ้านเราไปทำกรรมฐานไม่ได้นะเ อ, เอาพุทธครสตว์พุทโธอาวุธโธพุทโธแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองเพั้นพุทธโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันนะพุทโธ อ, อีกหนีไปคิดอีกรู้ทันไม่ใช่พุทธโธแล้วห้ามหนีไปคิเนี่ยไปห้ามมันนะจิตเนี้ยยิ่งห้ามยิ่งกลุ้มใจ ยิ่งห้ามยิ่งอึดอัอย่ไปห้ามมันเอาแค่รู้ทันมันคนไหนชอบรู้ลมหายใจก็หายใจไปสบายๆหายใจแล้วจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดแล้วหายใจไปอีกหนีไปคิดอีกรู้อีกดูท้องพองยุบไปดูไปดูไ ป, ไปจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดหรือดูไปดูไปจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องรู้ว่าจิตเข้าไปเพ่งแล้วคอรู้ทันจิตทากรรมฐานขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ อะไรก็ได้เหมือนกันหมดแหละไม่ดีไม่เลวต่างกันหรอกแต่เราคอยรู้ทันจิตไปพุทโธเรารู้ทันจิตหายใจเรารู้ทันจิตนะดูท้องพองยุบเรารู้ทันจิตจิตหนีไปคิดคอยรู้บ่อยๆต่อไปพอจิตหนีไปคิดปั๊บเรารู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นมจิตใจจะกลับมาอยู่กับเนื้อก็ตัวพอจิตใจมาอยู่กับเนื้อก็ตัวแล้วเราก็คอยดูมันทางานไปเรื่อยนะเห็นร่างกายมันยืนเห็นร่างกายมันเดิน ใจเราเป็นแค่คนดูสบายๆใจอยู่กันเน้อก็ตัวเห็นจิตใจมันสุขเห็นจิตใจมันทุกขนะ์เห็นจิตใจมันโลภเห็นจิตใจมันโกรธมันหลงนะใจเราก็รู้ไปเรื่อยๆสุดท้ายเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนะวันใดที่จิตยอมรับความจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นแล้ดับเป็นธรรมดาน่แหละพระโสดาบันนะพระโสดบันมาเป็นขึ้นมาได้ก็เพราะรู้รูปนาม เห็นความจริงของรูปนามว่าไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรเป็นแต่ของที่เกิดแล้วดับหมดเลยไม่มีอะไรที่เป็นอมตะคําว่าตัวตนตัวตนจะหมายถึงมีตัวเราที่เป็นอมตะนะคําว่าอัตตาตัวตนนะอนัตตาไม่ใช่แปลว่าไม่มีอะไรเลยอนัตตก็คือไม่มีตัวตนที่เป็นอมตะตรงข้ามกับลัทธิของฮินดูเเขามีอัตมันมีตัวตนถาวร พวกเราชาวพุทธเห็นว่าไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรมีตัวตนถาวรมันก็ไปยุดตัวตนอีกถ้าเราเห็นจริงว่าไม่มีตัวตนถาวรจะเห็นทุกอย่างเป็นแค่ปรากฏการชั่วคราวแค่ปรากฏการอะไรเกิดขึ้นในชีวิตไม่หวั่นไหวเพราะเรารู้ว่าทุกอย่างชั่วคราวเราฝึกอย่างนี้นะเพราะไหวไหมทํากรรมฐานสักอันนึ่งนะ เช่นพุโทโธหายใจอะไรก็ได้แล้วก็จิตหนีไปคิดก่อยรู้ฝึกตัวนี้ให้ได้ก่อนพอจิตใจอยู่กับเน้อก็ตัวแล้วต่อไปปัญญามันจะเกิดนนะจะเห็นในร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่เรานะร่างกายที่สุขทุกข์อยู่ไม่ใช่เราความสุขความทุกข์ทางกายความสุขความทุกข์ความเฉยเฉทางใจก็ไม่ใช่เรากุศลอกุศลทางใจก็ไม่ใช่เราจิตเดี๋ยวก็ไปดูเดี๋ยวก็ไปฟังจิตที่ดูเกิดแล้วก็ดับจิตที่ฟังเกิดแล้วก็ดับจิตที่คิดเกิดแล้วก็ดับ จิต ท, ที่รู้เกิดแล้วก็ดับนี่ดูอย่างนี้เรื่อยนะจนกระทั่งเป็นพระโสดาแล้วก็ก็ดูอย่างเก่าอีกแหละนะจิตจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปต่อไปมันจะหมดความยึดถือในกายมันหมดความยึดถือกายก่อนนะเพราะกายนี้เป็นของที่ปล่อยวางง่ายง่ายกว่าจิตเพราะกายนี้มันมีความแปรปรวนมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาอย่างคนเราต้องการความสบายใจนะมากกว่าสบายกาย ไม่รักกายเท่าใจหรอกเวลาป่วยหนักเคยเห็นไนะหมหลวงพ่อ เ, เคยเจอนะ่ปตามโรงพยาบาลคนป่วยมากๆนะอยากตายเร็วๆนม่ยอมล้วยอมทิ้งกายแล้วไม่เอากายเราเพื่อจะได้สบายใจสตีทุกใจมานานแล้วนะนะถ้าเมื่อไรไม่ยึดกายนะได้พระนักขากนะ็เหลือจิตอันเดียวยังยึดอยูนะ่มาเรียนรู้ความจริงของจิตลึกซึ้งก็ไปอีกนะไม่ยึดจิตก็เป็นพระอรหันต์น เส้นทางเดินที่จะไปสู่ความเป็นพระระยะบุคคลแต่ละชั้นแต่ละชั้นเป็นเรื่องการเรียนรู้รูปนามทั้งหมดเลยเรื่องกายเรื่องใจทั้งหมดเลยส่วนเวลาที่เราคอยรู้รูปนามไปแล้วใจเราหมดเรี่ยวหมดแรงเหนื่อยนะทอแท้ป้อแปะทําสมถะสมถะเป็นงานสนับสนุนนะงานหลักคือวิปัสสนาคือการเรียนรู้ความจริงของรูปของนามของกายของใจต้องแยกให้ออกนะว่าอะไรเป็นงานหลักอะไรเป็นงานสนับสนุนนะ อย่างเราทําธุรกิจนะั้งานหลักเราคือตัวที่ทําเงินใช่ไหมฝ่ายบุคคลเ น, นี่งานที่สนับสนุนละจะไม่มีได้ไหมไม่ได้ทํางานไม่ได้แต่ไม่ใช่งานหลักเนีย่ยต้องแยกให้ออกนะในชีวิตของเราเนี่ยงานหลักของเราคือการเรียนรู้ความจริงของตัวเองนะเรียนรู้ความจริงสิ่งนี้เรียกว่าตัวเราก็คือรูปนามกายใจขันห้านี่แหละ ส่วนงานสนับสนุนเนี่ยคือการทำความสงบเป็นคราวๆให้จิตมีกำลังชุ่มชื่นนั้นทำความสงบอย่างเดียวเหมือนอย่างตั้งเอโซ่ขึ้นมาแล้วมีแต่นแนักบุคคลนะทั้งบริษัทมีแต่บุคคลอย่างเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นเลยเจ๊งสิใช่ไหมมันไม่ได้ทำงานหลักอ่ะไม่ได้หาเงินอ่ะงั้นในชีวิตเรางานหลักคืองานวิปัสสนากรรมฐานนะ การทำทานรักษาศีลการทำสมาธิทำความสงบเป็นงานสนับส น, นุนนะทำไปทุกวันฝึกฝึกเรียนรู้ความจริงของชีวิตให้มากขึ้นมากขึ้นได้ชีวิตจะทุกข์น้อยลงน้อยลงความทุกขเกิดจากจิตเข้าไปหยิบฉวยเข้าไปยึดถือเอารูปเอานามเอากายเอาใจนี้มาเป็นตัวกูของกูนะถ้าเห็นความจริงแล้วมันวางวา ง, วางก็พ้นทุกข์ไปเท่านั้นเองง่ายไม่ยากหรอก ใครว่ายากปัง้งหลวงปู่ดูลบอกการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติถ้าใครบอกยากก็คือพวกท้อแท้ท้อแท้ไม่ได้ชีวิตเราถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดในลาเราต้องเตรียมพร้อมฝึกจิตฝึกใจทุกวันเรียนรู้ความจริงของชีวิตจะทั้งไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ยอมรับได้รู้สึกว่าทุกอย่างมันชั่วคราวไปหมดสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราว อยอมรับได้ทุกเรื่องไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจิตไม่ก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงมีความสุขนะจิตเป็นอิสระจากโลกโลกนี้ก็เพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงตลอดเวลาธรรมะประจําโลกมีแปดอย่างมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศใช่ไหมมีสารเสริญ ม, มีนินทามีสุขมีทุกข์แต่โลกนี้ก็เพิ่มตลอดเลยถ้าจิตเราเข้าไปหลงอยู่กับโลกจิตเราก็กรเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงจิตเราทุกข์ไปด้วยนะ ถ้าจิตเราแยกออกมานะเห็นความจริงของโลกจิตวางโลกไปโลกก็สวดโลกโลกก็กระเพิ่มไปตามธรรมดาของโลกแหละอย่างพระละหันมีคนด่าได้ไหมหนีพ้นไหมไม่พม้นใช่ไหมมีสรรเสริญก็มีนินทาเนี่เรื่องโลกแต่จิตท่านไม่กระเพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงพระละหันร่างกายเป็นสุขเป็นทุกข์มั่งไหมเป็นใช่ไหมแต่จิตท่านไม่กระเพื่มขึ้นกระเพิ่มลงยต่างกับพวกเรานิดเดียวเองใช่ไหมความต่างมีนิดเดียวแหละเอาให้ได้สิ <laughs> จะทําได้นะถ้าเมื่อเห็นว่าตัวอย่างมันชั่วคราวนั้นดูลงไปในใจเราบ่อยๆแค่เห็นว่าตัวอย่างมันชั่วคราวนะอะ่ตอนนี้ก็พอแล้วเท่า น, นี้ก็ยากละอ่ามีคำถามคือเมื่อวานฟังซีหลวงพ่อหลวงพ่อเทศถึงคําว่าคำสองคำครับอารมณ์ปานูปนิชานกับรักคโนปนิชานที่ หมายถึงอันแรกอารมณวิชเชียนหมายถึงการเพ่งอารมณ์ อ, อันที่สองละคาวนิชานหมายถึงเพ่งลักษณะทีนี้อ่าครั้งก่อนผมได้ส่งไหน้าหลงข้อครับผมบอกว่าผมทําสมาธิได้แล้วพ่อบอกว่าที่ผมทําเนี่ยมันเป็นส่งจิตออกไปดูไม่ใช่ดูจิตผมก็เลยมาพิจารณาว่าไอ้ที่เราส่งจิตออกไปดูเนี่ยมันใช่อารมณ์วานิชานหรือเปล่าใช่ใช่ครับในขณะทีท่ถ้า ถ้าเราดูจิตได้มันก็จะกลายเป็นรักษาบุญวิชาไมตั้งมันขึ้นมาเป็นคนดูนะแต่เวลาดูจิตเดี๋ยวไปจงใจดูนะ น, นั่นทําด้วยความโลภกิเลสมันเกิดซะแล้วสติไม่เกิดหรอกอืมครับก็มีคงถามเลยครับก็อ่าอันนี้เกี่ยวกับอาณาบารสติอะครับเพิ่งเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เมื่อวานเรานั่าานงสมาธิโดยการดูลมหายใจเข้าออกก็ดูลงหายใจออกก่อนอย่างที่หลวงพ่อเคยสอนในซีดีนะครับก็ดูลงหายใจออก ดูมันที่มันกระทบจมูกดูไปดูไปจิตมันก็สนุกมันก็ไปแน่ครับทีนี้พอสักพักหนึงเนี่ยมันรู้สึกเหมือนมันจะหล่นวูบออกมาความรู้สึกทีแรกก็เอไม่อยากให้มันหล่นตึงๆไว้พอมันจะหล่นมันอ้างปล่อยก็เลยพอมันไปล่ว่ามันไปค้างอยู่ที่หนึ่งแล้วมันรู้สึกว่ารู้สึกว่ากายกระจายอยูห่างๆเลยครับคือมันก็เห็นคือในสมาธิจิตมันก็ประคองอยู่ได้มันก็อยู่มันง่ายนะแต่ไม่เห็นกายนะมันไม่ว่าขึ้นทาเด็กไร ประมาณที่คืนแบบกาย ก, ก็ค่อยๆเอียนข้างในเลยเห็นนะ嗯嗯กะ็ไม่ไม่ไม่ไม่บังคับมันง่าต้องกลับมาตรกเอีนเลยทสุดท้ายหน้างลงมันติดกับขาคือทอพับแบบก็เลยเดี๋ยวกลจะหาใจไออกตายซะก่อนก็เลยก็เลยขอนํามาแต่ก็รู้สึกว่าตอนนั้นจรงถ้าจะให้อยู่อยู่ก็ดูต่อไปได้เไรเงี้ยแต่ใจไม่เคยถึงเลยก็อยากทราบว่าไอ้ย่างนี้ครับ เวลาสมาธิหรือเปล่าคะอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่อัปปนาอย่าไม่ถึงอัปปนาแร้วไอ้ที่มันดิ่งลงไปมันดิ่งลงไปนะมันไม่ถึงอัปปนามันลงไปเดินปัญญาแยกขั้นแยกขันต่ออมันไม่ได้เข้าไปพักเลยมันไปแยกรูปน้อมอย่างนั้นแหละดีไอ้ที่มีโอเคได้ไหเออนะถ้าไม่จุกตายไอ้ที่มีถ้าถ้ามันเกิดแบบนี้ก็ ก็ดู<น>ไปเรื่อยๆนะแต่เวลาดูอย่าให้ถลำลงไปดูดูแล้วใจมันแยกออกมาเห็หกายกับใจแยกกันะกายกับใจแยกออกจากกันได้นะ mm. แล้วก็ความรู้สึกสุขทุกข์กับร่างกายก็แยกออกจากกันได้นะความรู้สึกสุขทุกข์กับใจก็แยกออกจากกันได้กิเลสกับจิตใจก็แยกออกจากกันได้นะแยกกันได้หมดนะั่นแหละที่เรียกว่าแยกขันแะล้วจับถอดเป็นส่วนๆแล้วเห็นไหมไม่มีเหาสักอันเดียว ไอต no ัวที่คูลงไปไม่ได้เจตนาจะคูเลยไหมมันเป็นเองเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุใจที่เป็นคนดูอยู่ไม่ได้เจตนาจะดูนั่นแหละทำไปอย่างนั้นก็มีมีอะไรเพิ่มเติมั้ยครับในแง่ของการปฏิบัติของผมครับที่ควรจะเวลาอยู่ในชีวิตประจำวันนะคอยรู้ทันจิตไปไให้มันฟุ้งครับฟุ้งไหมฟุ้งครับหลวงพ่อก็ชอบเราเหรอ นี่ก็อยู่เอสโซมันกนเหรอนี่กุจเาจะให้หลวงพ่อเทศชั่วโมงนะเทศก็ได้แนละ้วแต่ว่าคนฟังฟังไม่ได้เพราะโดยธรรมชาติของเราเนี่ยสมองเราคอนเซนเทรตอะไรได้สี่สิบถึงสี่สิบ้า น, นาทีเท่า น, นั้นแหละแน่สักแค่ไหนก็ได้แค่นั้นแหละหลังจากนั้นใจมันไม่ชอบละใจจะเปลี่ยนเรื่องแค่เวลาหลวงพ่อเทศแค่แค่นี้รับนะมากกว่านี้รับไม่ได้ ผิดธรรมชาติค่ะหลวงพ่อคือเวลาดูในชีวิตประจาวันนะคะคือธรรมดาปกติจิตจะเข้าไปเพ่งเยอะแต่หลังๆนี้ก็จะเป็นกลางมากขึ้นนะคะแต่ก็จะเห็นตลอดเวลาว่าจิตไม่เป็นกลางกับอะไรสักอย่างเลยค่ะอพอไปเห็นอะไรก็ก็จะเค้นจะทาจะทำจะท ำ, จะทำตลอดเวลาดีที่รู้ทันเห็นไหมจิตไม่ใช่ตัวเราสั่งมันไม่ได้ค่ะแล้วแต่ก็พยายามจะสั่งคือเคยชินกับการที่ มันไม่เป็นกางจริงๆเราเคยชินที่จะเป็นผู้จัดการ <c oughs> เราไม่เคยชินที่จะเป็นผู้สังเกตการนะ <c oughs> เราชอบเข้าไปจัดการให้รู้ว่ารู้ไปได้ที่ฝึอกอยู่ดีแล้วแต่ว่าบางทีพอเหมือนเวลาถลำลงไปดูแล้วเหมือนรู้สึกว่าต้องต้องออกมารู้ที่กายบ้างหรืออะไรบ้างคือเวลาหาเครื่องอยู่อะค่ะหลวงพอ่อหนูไม่น่ใจว่าถาลำถลำไปดูเนี่ยไม่ดีนะ <c oughs> <c oughs> ให้รู้ทันว่าถล่มให้ใจมันตั้งมั่นเป็นคนดนูเริ่มต้นใหม่รู้สึกขึ้นมาใหม่การพอนาเราใช้ระบบดิจิตอลศูนย0หนึ่งนย์0 1, 0 1, 0 1. หนึ่งศูนย์หนึ่งลงไปล้วรู้สึกหลงแล้รรู้สึกนะเอาเท่านั้นแหละแล้วไม่ทราบว่าคือเครื่องอยู่ที่ไม่ทราบว่าเหมาะที่เหมาะกับจริตจริงๆคืออะไรอะคะเพราะบางทีพอไม่ว่าจะดูลมหรือรู้กายก็สุดท้าย ก็จะเห็นไปเห็นที่ความอยากจะไปจงใจดูสุดท้ายก็กลับมาดูที่จิตเ้าอ่านั้นเราถนัดดูจิตแล้วก็ดูจิตไปนะเราในตัวจิตนะมีความรู้สึกนานาชนิดเยอะแยะเลยตัวไหนเด่นอย่างเราเห็นความอยากเกิดบ่อยเอาความอยากนั่นแหละเป็นมิหารธรรมจิตมีสองอย่างมีจิตที่อยากกับจิตที่ไม่อยากทั้งวันมีเปอย่างนั้นดูไปเรื่อยๆจิตอยากก็อยากเองนะตัวอย่างนั้น ถ้าดูไม่ทันนะความอยากก็บงการพฤติกรรมของจิตถ้าจิตถูกโบงการจิตกวดิ้นรนจิตดิ้นรนจิตก็มีความทุกข์ขึ้นมาความดิ้นรนของจิตนั่นแหะภาษาบาลีเรียกว่าพบพอสําเพอรพอพานเคยได้ยินแม่สร้างพบสร้างชาติีนะ่เราไม่รู้ว่าพบคืออะไรหรอกนะวิที่พบชื่อเต็มๆของมันคือคำว่ากรรมมาพบการที่จิตกระทํากรรมนั่นแหละเบื่องหลังการกระทํากรรมของจิตก็คือตัณหา mm. ตัณหาเป็นผู้สร้างพบ เห็นไหมมีความอยากก่อนแล้วจิตก็ดิ้นใช่ค่ะแล้วจิตดิ้นแล้วจิตก็ทุกข์นึกออกไหมมีพบเมื่อไหร่ก็มีทุกข์นั่นแหละธรรมะทั้งนั้นเลยดูไปได้จิตมีความอยากแล้วรู้ทันเอามาดูตัวนี้บ่อยๆทุกครั้งที่เจอความอยากเขาก็ดิ้นทุกครั้งอจะดิ้นอยากให้เลิกอยากก็มีนะเกิดกิเลสก็อยากให้หายเยเจอความอยากเจะไปซ่อนอยู่ทุกในทุกๆสถานการณ์ เราคอยรู้ทันไว้มา ส, สักการะครับหลวงพออ่อผมทำผมทำเบสิกมากเลยครับคือว่าอย่างผมเนี้ยเป็นพนักงานใช่ไหยครับพอกลับบ้านปุ๊บอย่างที่หลวงพ่อบอกเขาพยายามอยากจะปฏิบัติประกอบปฏิบัติปุ๊บใจยอยากปฏิบัติครับแต่ร่างกายไม่พร้อมพอ่มปฏิบัติปุ๊บหลับเพราะฉะนั้นเต็ลลมลโรคระบาดทัท่วๆไปทํายังไงถึงจะแก้โรคอย่างนี้ได้บ้างครับทําตั้งแต่ตื่นที่ ต, ตื่นให้เร็วขึ้นนิดหนึ่งแนละ้ว ม, มาปฏิบัติเอาเวลาที่สดชื่นนะมาปฏิบัติพ อ, อเราพาวนานะจิตเรายิ่งเข้มแข็งมีพลังทํางานดีกว่าเก่าอีกแล้วเวลาอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยมีเวลาเหลือนาทีสองนาทีอย่าทิ้งเปล่าๆ ม, มีสติรู้รลงไปเลยนะอย่างทํางานเราก็ต้องจดจ่อ ก, กับงานไม่ใช่เวลาปฏิบัติเขาไม่ได้จ้างเรามาปฏิบัติเขาจ้างมาทํางานก็ตั้งใจทํางานไป พอทําไปแล้วเกิดชี้เกียรติเนี่ยเขาไม่ได้จ้างให้ชี้เกียรตินะไปชี้เกียรตเรารู้ทันเนะ่ยหรือเวลาทํางานไปเดินไปห้องน้ําเไรเห็นร่างกายมันเดินดูกายดูใจไปเลยหลวงพ่อแต่ก่อนจะทางานอยู่สภาความมั่นคงชื่อก็น่ากลัวนะงานก็น่ากลัวงานเครียดมากเลยงานวิเคราะห์ข้อมูลเยอะแยะเลยนะเพื่อหาข้อเสนอให้รัฐบาลอย่างเงี้ย เวลาจบจบงางานเนี่ยเครียดหนักเวลเรามีพิธีก็คือตอนที่เดินไปห้องน้ำเนี่ยดูจิตไม่ได้ mm hmm. ก็กาลังทำงานที่คิดตะลุมบอลดูจิตไม่ออกดูกายเห็นร่างกายเดินไปห้องน้ำไปฉี่ไปอะไรอย่างนี้นะ เสร็จแล้วตัดที่ฉีเสร็จแล้วจะมีความสุขขึ้นมารู้สึกไหมเขาถึงเรียกห้องสุขขาเนี่ยพอมีความสุขขึ้นมาพอใจแล้วสบายใจแล้วหายปวดท้องนะมีความพอใจมีความสุขรู้ทันจิตเนี่ยกลับมาดูจิตแล้วนะเดินกลับมาทำงานต่อได้แล้บหลวงพ่อทำงานเร็วมากเลยนล้วสมาธิเยอะอ่ะงั้นเวลาทำงานนะมีพี่คนหนึ่งแกมาบอกฟ้องหลวงพ่อ หัวหน้ากองแค่นี้แย่มากเลยแกจะเดินจงกรมก็เรียกแกไปทํางานตลอดเราฟังแล้วใแย่แน่วะเขาไม่ได้จ้างเหมือนเดินจงกรมใชนะ่ไหมอย่างนี้คอร์รัปชันแล้วทากลางคืนไม่ได้ก็ทําเช้าแล้วก็ทำตั้งแต่เช้าเนี่ยดีนะแล้วก็มาทํางานขับรถมานั่งรถมาอนะไรเนี้ยดูกายดูใจมาเรื่อย ถึงเวลาทำงานนะจดจ่อกอางงานนะสมาธิมันมีเยอะนะทำงานจะดีขึ้นเลยเวลาอี่ยงผู้บริหารนะจิตมีสมาธินะวิสัยทัศน์หรือการมองอะไรนี่ดีกว่าคนทั่วๆไปเยอะเลยเทียบกันไม่ติดหรอกระหว่างพวกฟุ้งซ่านกับพวกที่จิตใจมีสมาธิอยู่เวลามองอะไรนี่มันจะตรงความจริงได้เยอะวิเคราะห์อะไรจะแม่นนะก็ไม่มีไบแอดนะถ้าตูกอย่างเต็มไปด้วยบแอดจะมอง เรื่องทิศทางของบริษัทเงี้ยแฝงผลประโยชน์ของตัวเข้าไปเงี้ยบริษัทก็ลําบากะแต่ภาวนาเป็นนี่มันเห็นเลยนี่ตรงนี้มันแอบจะโกงบริษัทแล้วนะจะแฝงผลประโยชน์ของตัวเข้าไปแล้วอะไรเงี้ยคิดจะทํางานอย่างเงี้ยกูจะได้เด่นอะไรเงี้ยถ้ารู้ทันไม่ทําส่วนรวมก็ดีขึ้นถ้าหลวงพ่อเป็นผู้บริหารนะใครไม่ภาวนาคงไม่เอาอ่ะโอกาสที่มันจะโกงบริษัทนะเยอะ ที่ภาวนาใช้ได้นะฝึกฝึกเอาใจฟุ้งซ่านรู้ว่าใจฟุ้งซ่านใจไม่ถึงฐานรู้ว่าใจไม่ถึงฐานนะเรารู้ทันไปได้ตอนนี้ใจถึงฐานไหมไม่ถึงค่ะนะไม่ถึงก็ดีรู้เอาไม่ดึงอย่าไปดึงมันน้ำมัศการค่ะมเป็นคําถามที่ใช้ในชีวิตประจํำวันนะคะคือ ถ้าจริงๆแล้วเราไม่ควรจะยึดติดใช่ไหมคะคือถ้ายึดติดแล้วใจก็จะเป็นถุกทีนี้ความรับผิดชอบนี่ถือเป็นความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานอะไรอย่างนี้ค่ะควรอะไรเรื่องกันนะมีหน้าที่ต้องทำหน้าที่อย่างสมมติว่าเป็นแม่แล้วก็ไม่ยึดลูกนะเราไปทิ้งถักขยะ <c oughs> ต้งาบอกว่าปล่อยวางไม่ได้นะอ <c oughs> <c oughs> มีงานทำแล้วก็ปล่อยวางไม่ได้นะมีหน้าที่ต้องทา แต่ทําทําเนี่ยคืออย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่ยุดงานไม่ยุดอะไรทางานให้เต็มที่เลยนะส่วนผลมันออกมามันได้แค่นี้นะมันสุดฝีมือสุดสดติปัญญาแล้วมันได้ผลแค่นี้พอใจในผลแค่นั้นอย่างนี้เลยไม่ยุดแล้วอย่างนั้นก็ไม่ถึงมายึดติดใช่ไหมครับเอา น, นะอย่างเราแปลคําว่าสันโดษผิดนะสันโดษไม่ใช้แปลว่าขี้เกียจไม่ได้แปลว่าไม่รับผิด ช, ชอบเพรางั้นทำเหตุน่ะทำให้เต็มที่เลยสุดฝีมือเลย ส่วนผลมันออกมาได้เท่านี้ก็อยอมรับสภาพแหละมันได้เท่านี้แต่ต่อไปก็ต้องดีกว่านี้อยู่กัโลกไม่ใช่ปล่อยวางวางแบบนั้นไม่ได้มีหน้าที่ต้องทำแต่ว่าเข้าใจความจริงของชีวิตไปเรามุ่งทาเหตุให้ดีที่สุดส่วนผลเนี่ยเราบงการไม่ได้ยังผลออกมาเท่าไหร่ก็โอเคได้เท่านี้ทุกเรื่องหละผลเราสั่งไม่ได้ อย่างเราทํางานซะเต็มที่แล้วนะมีสองขั้นไหมที่นี่ไม่มีแล้วมีเลื่อนขั้นบ้างไหมมีเหมือนกันมีไม่เลื่อนเ <c oughs> ลยอย่างเนี้ยทําเต็มที่เราปีนี้ไม่ได้เลื่อนอย่างเงี้ยตรงทําเต็มที่เนี่ยอินพุตเราใส่เข้าไปใส่ให้เต็มฝีมือเลยตรงเอาพุตเนี้เราคอนโทรลไม่ได้คนที่จะกลับมาหาเราเนี้ยฟีดแบค็คกลับมาเนี้ยเราคอนโทรลไม่ได้ ได้แค่นี้พอใจมีความสุขได้ ก, ก, การเป็นพิธการหลงพ่อค่ะพอดีหนูก่อนหน้านี้ที่เคยเข้าคอสอบรมแล้วก็ไปปฏิบัติแล้วก็พอห่างจากชมลมนิดหน่อยก็ไม่ค่อยได้ปฏิบัติตอนนี้ก็จะเริ่มชมลมหวโชื่อแลงชมลมนิดหน่อย <laughs> ชมรมพุทธศาสนาค่ะแล้วตอนนี้ค่ะก็เริ่มกลับมา ฝึกฟังซีดีอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าการรู้สึกตัวนะตอนนี้กับที่เคยปฏิบัติมันถูกต้องไหมอย่างตอนนี้ที่พอเริ่มคุยคุยกับถามคำ ถ, ถามหลวงพ่อก็รู้สึกลลลโล่งๆแล้วไม่มันโล่งนี้ก็มีหลายแบบนะโล่งเพราเราประคองใจไว้โล่งๆก็มีนะเรากลัวจะตื่นเต้นเลยเราแกล้งอัพขึ้นมาแกล้งทำงี้ก็ได้นะแกล้งทำไหมลนะ่ะ เป็นธรรมชาติไหมขนาดนี้ไม่เป็นค่ะแค่แค่นี้ก็พอละรู้ว่าไม่ใช่ละค่ะรู้ว่ามีการปรุงแต่งขก้นแล้วก็รู้ทันเฉยเฉยไม่ว่ามันหรอกแล้วอย่างนี้คือต้องรู้ไปแบบนี้เรื่อยๆไม่ใช่ไม่ใช่รู้อย่างนี้นะ <c oughs> จิตมันปรุงอะไรก็รู้ไปเรื่อยค่ะจิตที่ดีที่สุดนะสำหรับการภาวนานะคือจิตของเด็กๆที่ภาวนาไม่เป็นเด็กๆที่ภาวนาไม่เป็นเนี่ยไม่มีมายา เป็นยังไงกระทบอารมณ์นะเกิดฟีดแบ็กตามธรรมชาติเลยไม่เข้าไปแทรกแซงนะเราต่างกับเด็กนิดเดียวคือเด็กมันพอกระทบอารมณ์แล้วมันบือหวาตามอารมณ์ไปเรามีสติรู้ทันนะเรามีสติรู้ทันเราจะไม่ประคองใจเราให้เลิศลอดประโสริฐสีดีที่สุดอะไรเงี้ยไม่ต้องเลยนะให้มันกระทบอารมณ์แล้วให้มันกระเทือนมันหวันไหว ไปตามธรรมชาติธรรมดาแล้วเรามีสติรู้ทันนะเช่นคุยกับหลวงพ่อแล้วมันตื่นเต้นตื่นเต้นก็ตื่นเต้นก็แค่เห็นว่าจิตมันตื่นเต้นไปนะดูอย่างที่สักพักหนึ่งก็เห็นว่าความตื่นเต้นก็ไม่เที่ยงความตื่นเต้นก็หายอีกเราดูเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองดังนั้นะเราจะไม่ไปประคองจิตให้นิ่งอยู่ตลอดเวลาไม่ไปรักษาจิตให้ดีอยู่ตลอดเวลา เราต้องฝึกไปเจอถ้าเห็นว่าความสงบความดีความสุขอะไรนี่ก็ของชั่วคราวเช่นเดียวกับสภาวะอย่างอื่นนะได้แล้วบางครั้งคือเหมือนกับบางทีการรู้สึกการรู้ไปเรื่อยๆบางทีมันทำให้หนูรู้สึกเหนื่อยอะค่ะเหนื่อยก็พักก็คือไม่ต้องรู้สึกตัวไปเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ต้องทำสมาธิแต่การรู้สึกเหนื่อยนี่ไม่ใช่ว่ารู้สึกผิดใช่ไหมคะคือ ขับรถเป็นไหมเป็นค่ะนึกออกไหมตอนหัดขับรถใหม่ๆเหนื่อยค่ะรู้สึกไหมหัดขับรถใหม่ๆเนี่ยเดินง่ายกว่าค่ะพอขับรถชํานานแล้วรู้สึกไหมขับรถสบายกว่าเดินค่ะการภาวนาก็เหมือนกันนะหัดใหม่ๆรู้สึกตัวไม่เป็นอ่ะยังรู้สึกตัวไม่เป็นนะพอจะรู้สึกตัวนี้เหน่อยนะเหมือนขับรถไม่เป็นอ่ะก็มาขับรถเหนื่อย ถ้าเราหาัดรู้สึกตัวบ่อยๆเหมือนเราขับรถจนขับด้วยไขสันหลังแล้วชํานาญนะไม่เหนื่อยแล้วการรู้สึกตัวก็เหมือนกันถ้ารู้สึกจนชํานาญแล้วไม่เหนื่อยหรอะถ้ายังเหนื่อยอยู่ก็แสดงว่ามันยังไม่ชํานาญก็ฝึกไปเรื่อยๆถ้ามันเหนื่อยแล้วก็พักผ่อนคําว่าพักผ่อนของนักปฏิบัติก็คือทาําความสงบไม่ใช่ดูหนังตามเพลงนะค่ะ <c oughs> ขอบคุณครับธรรมสการครับหลวงพ่อ มีคำถามจะถามหลวงพ่อหนิฮะว่าผมเนี่ยพยายามฝึกปฏิบัติตัวเองคราวนี้ไม่รู้ว่าวิธีที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าก็าคือว่าอย่างเช่นเวลาทำเป็นระเบียบอยู่ที่บ้านเนี่นะครับ เ, เดินจงกรมแล้วก็มานั่งสมาธิเนี่ยพอปิดตาเนี่ยมันจะเหมือนมีฉากเสียวขาวโผลขึ้นมาเสร็จแล้วใจเนี่ยมันวิ่งไปอยู่ที่ฉากให้รู้ทันว่าใจวิ่งไปที่ฉากแค่นั้นแล้วพอนะ ให้รู้ทันให้รู้ทันนะอยากให้เข้าไปอยู่ในฉากนี่เป็นสิ่งที่ถูกรู้เท่านั้นเองจิตแล้วอย่าไปถลําลงไปในสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะให้รู้ทันว่าจิตไหลไปนล้ตรงที่จิตไหลเข้าไปอยู่ในฉากสีขาวนะลูกผู้ดูเรียกว่าจิตออกนอกแล้วนะอ๋อครับให้แค่รู้แล้วก็แค่รู้ทันว่าจิตไหลไปผมใช้เอผมใช้ลมหายใจเป็นเป็นเป็นที่อยู่ครนะก็แต่ไม่บังคับที่ลมหายใจไม่ไม่บังคับแรนงนะ ก็ ร, รู้ว่ามันถล่มไปที่จอสีขาวแล้วไม่ใจไม่กลับมาอยู่กับตัวเองถหายใจไปสบายๆโดยบังคับว่าจิตจะต้องอยู่กับลมตลอดเวลาถ้าบังคับว่าจิ ต, ตต้องอยู่กับลมตลอดเวลาจิตเครียดถ้าภาวนาแล้วเครียดเนะี่ยทำผิดแล้วละ่ะจิตที่เครียดเนี่ยเป็นโทสะมูลจิตนะ <int ains> เป็นอาคูสระจิตชนิดนหนึ่ง่ลยนะจิตที่เครียดเนี่ยเป็นโทสะแน่นอนเลยครับ คนนี้มีประสบการณ์หนึ่งเล่าอยากเล่าให้หลุกพ่อฟังว่าปีที่แล้วที่ไปฝึกที่ไปอยู่ที่หิ่งห้อยะอืบแล้วก็ไปอยู่เออ่ไปเดินไปที่วัดสี่วันครับมันมีวันวันวันแรกนะครับไปถึงแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยมันมีอาการปวดแต่ว่าใจมันไปรู้ว่ามีความปวดวิ่งมาเสร็จสักพักหนึ่งจิตเนี่ยมันเหมือนวิ่งไปแล้วควบคุมมันไม่ได้ทีมันก็ขึ้นมาปุ๊บรู้ว่าอ๋อนี่ความปวดแทรกมาแลสร็สักพัก ใจก็วิ่งไปคิดอีกเออก็บอกเอ้ยไอย้ความคิดมันขึ้นมาละแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปปุ๊บไม่แหละรู้ทันลงไปนะเห็นแต่สภาวะทั้งหลายนะไม่ใช่มีอะไรที่เราบังคับได้เลยกระทั่งจิตนะจิตจะไปรู้อะไรจิตจะไปปรู้อะไรห้ามไม่ได้ที่เรามาคอยรู้คอยเห็นอยู่เรื่อยๆเนี่ยเพื่อวันหนึ่งจิตมันจะยอมรับความจริงว่าไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เลยทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปดับไปครับแ ล, และอย่างนี้ต้องทําอะไรต่อครั บ, รบทําบ่อยๆ ดูบ่อยๆจนเห็นขันมันทํางานอย่างจิตี่เป็นขันขันหนึ่งเขาก็ทํางานเขาเขาปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์อะไรก็ปรุงไปเลยนะแล้วก็วิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางกายมันวิ่งไปวิ่งมาได้รู้สึกไหมมันวิ่งเองไม่ใช่เราควบคุมมันไม่ได้ควบคุมไม่ได้คําว่าควบคุมไม่ได้คือคําว่าอนัตตานั่นเองไม่อยู่ในอํานาจบังคับการที่เราเห็นสภาวะธรรมรูปธรรมนามธรรมแสดงไตรลักษ อ น, นิจจังก็ได้ทุกขังก็ได้อนัตตาก็ได้นั่แหละเราเดินปัญญาอยู่ทำวิปัสนาอยู่ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามไม่ใช่วิปัสนาต้อง <he S 1> เห็นเลนะไม่ใช่ <S <S คิดเรื่องไตรลักษณ์ถ้าคิดเรื่องไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสนาไม่ใช่ไปเพียงรูปเพียงนามด้วยม่แค่เห็นนะเพราะคำว่าวิปัสนาเนี่มาจากคำว่าวิกัปสนะปัส น, สนะแปลว่าการเห็น วิเว่า แ, แจ้งเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องหรือเห็นไตรลักษณ์นั่นเองถ้าเห็นร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นาสุภะก็ไม่ใช่วิปัสนาะไม่ใช่ไตรลักษณ์งั้นบางทีพิณากายเป็นปฏิกูลอสุภะเราถึงว่าทําวิปัสนาไม่ใช่วิปัสนาทําไปแล้วข่มราคะได้เป็นสมถะครับกราบเ น, นรพลการหลวงพ่อค่ะ ปกติแล้วเนี่ยก็คือฟังซีดีหลวงพ่ออยู่แล้วแล้วก็ปีที่แล้วก็มากับชมรมพุทธศาสตร์มาฝึกที่สวนสันติธรรมค่ะแต่ว่าจะเป็นชมรมนิดหน่อยเหรอฮะ <c oughs> แล้วก็แล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อเป็นประจําแล้วเวลาฝึกปฏิบัติก็คือจะปฏิบัติรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันอยู่ตลอดเวลาแต่ยังไม่เคยปฏิบัติเต็มรูปแบบจกกนกระทั่งปีนี้ค่ะก็คือปฏิบัติเป็นรูปแบบมากขึ้นคือเดือนจงกลมแล้วก็นั่งสมาธิ สลับกันอย่างนี้อย่างละหนึ่งชั่วโมงแต่ทุกครั้งที่ปฏิบัติอย่างจริงจังทีไรเนี่ยก็จะไม่สบายทุกครั้งเลยก็คือจะเจ็บคอแล้วก็ไม่มีเสียงเลยไม่แน่ใจว่าปฏิบัติถูกต้องแล้วหรือเปล่าถามแปลกนะถ้าแบบเดินจงกรมแล้วเมื่อยขาเนี่ยจะไม่แปลกเลยอันนี้คือเกิดเกิดขึ้นหลังจากที่หลังจากที่แบบปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วอก็คือวันหนึ่งก็จะปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะประมาณสี่เวลาปฏิบัติอย่าให้เครียดนะ คือเราภาวนาเนี่ยเราไม่ได้ภาวนาเอาเวลาเราภาวนาเอาสตินะถ้าเราบังคับมากเครียดมากอาจจะไม่สบายก็ได้เราภาวนาเอาสติไปเลยเดินจงกรมก็เดินด้วยความรู้สึกตัวจะนานเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรจะนั่งอยู่นะนั่งด้วยความรู้สึกตัวนานเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรก็รวมปแล้วคือรู้สึกตัวทั้งวันนั่นแหละยกเว้นเวลาทํางานที่ต้องคิดกับเวลาหับ แล้วปฏิบัติงานถูกต้องแล้วใช่ไหมคะจิตใจมีความสุขไหมไม่เครียดก็ตอนที่ปฏิบัติอยู่จะมีความสุขค่ะมีความสุขแล้วมีราคะแทรกไหมมีมีกิเลสเห็นกิเลสอะไรนะเห็นกิเลสอะนะเอานะเห็นกิเลสอยู่ใช้ได้คือการภาวนาเนี่ยถ้าหลวงเห็นกิเลสอยู่ได้ใช้ได้โยธากิเลสนี่ยดีที่สุดละขอบคุณค่ะรัศการหลวงพ่อครับเออ ปกติผมฟังซีดีของหลวงพ่ออยู่ครับแต่ว่าก็จะได้ยินหลวงพ่อพูดบ่อยๆว่ามันไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราแต่ว่าในใจมันก็เหมือนยังเถียงครับอมันยังมีอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่ <laughs> แต่เรารู้วิธีก็แล้วกันนะครับคือเราจะเห็นว่าไม่มีตัวตนได้เนี่ยอันแรกเลยนะอะไรเกิดขึ้นในร่างกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตใจคอยรู้สึกนี้เรื่อว่ามีสติต อันที่สองนะเราต้อฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะทางภาษาเทคนิคเรียกต้องมีลักข น, นูปนิชานจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูเองนะจิตตั้งมั่นตัวนี้เกิดจากการที่เรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดจิตมีไปคิดบ่อยๆนึกออกไหมครับหลวงพ่อให้กันบ้านนะต่อไปนี้ยจิตปิดคิดเรารวยไวๆครับเนะปทำตัวนี้นะถ้าจิตเดียตั้งขึ้นมาพอจิตมันตั้งมั่นค่ะเนี้คุณจะเห็นเลยว่าไม่มีเราหรอก ร่างกายก็ไม่ใช่เราอะไรๆก็ไม่ใช่เราถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะมันก็มีเราขึ้นมาครับก็พอดีเมื่อกี้ตอนที่หลวงพ่อเทศล้วก็ยกตัวอย่างว่าเรื่องรถพราเรื่องท่าย่ออกมาเป็นลอ้อรถเป็นพวงมาลัย ม, มันจะไม่มีรถเราก็ย่างตอนที่ให้ลองจับมือเราก็เห็นว่าเออมันก็ไม่ใช่มือเรา<ม>แต่ว่ามันก็เหมือนมัน มันเข้าใจแต่ว่ามันไม่เข้าไปถึงใจเนี่ยเห็นไม่พอตลอดเวลาแต่สังสารวัฏเนี่ยเราสะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดมาตลอดเราสะสมความเห็นผิดว่ามีเรามาตลอดนะถ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขพยายามปลูกฝังว่ามีเรานะนั่ตั้งเราชื่อนี้นะเรานามสกุลนี้นะพ่อชื่อนี้แม่ชื่อนี้มีนะมีเราจริงจริงนะนี่โรงเรียนของเรานี้ทํางานของเรา เราถูกปลูกฝังมาตลอดงั้นเราเคยชินที่จะมีเรานี่นมันเป็นความเคยชินจนอัตโนมัติเรามาปรับความเคยชินใหม่ด้วยการมาหัดดูของจริงดูลบไปแยกเป็นส่วนๆไปเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกเห็นทีแรกมยังไม่ยอมหรอกเพราะมันเข้าใจผิดมานานเรียกว่าคราบศพปลูกฝังลึกอะ <c oughs> <c oughs> นะมาสักผ้าปุ๊บปุ๊บปับป๊บเล น, นหลุดหมดโอ้ยไม่รู้ดหรอกต้องดูแล้วดูอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกนะ เจ็ดปันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเลยนี่ดูไปะถึงวันหนึ่งนะจิตมันพลิกความรู้ความเข้าใจตัวที่จิตมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือมันพลิกปั๊บเดี๋ยวในเวลาพลิกตาเดี่ยวความรู้ความเข้าใจจะเปลี่ยนไปเลยงั้นตอนนี้มีเราอยู่ก็เป็นปกติดีแล้วที่เห็นบางคนนะมีเราอยู่เต็มๆแต่มองไม่เห็นเลยเลยนึกว่าเป็นพระโสดาบันครับจีตันที่ พอจับไปแล้วบอกว่าไม่มีเรามันก็ตกใจอยู่แว บ, บหนึ่งว่าเออมันไม่มีแต่ว่าบางทีมันก็เหมือนมีแต่มันไม่รู้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ครับจริงๆ ม, ม, มืมีเป็นแค่ความการสําคัญมั่นหมายว่ามีนะเป็นสัญญาที่ผิดๆเรียกสัญญาวิปรราชวิปรราชที่คนไทยมาแปลว่าบ้าสัญญาวิปรราชเป็หมายผิดๆเอาไปคี้ตู่เอาไว้อะไรที่มารวมกันเนี่ยเป็นรถแถมเป็นรถของเราซะอีกนะ ชาติใหม่ๆบางทีเห็นตัวเราไม่มีครั้งแรกนะตกใจนะบางคนกลัวบางคนตกใจบางคนรู้สึกวบิก้างบางคนรู้สึกเหงาเหงาเฉาไปเลยตัวเราหายไปเพรายอมรับความจริงไม่ได้ว่าตัวเราไม่มีทั้งๆที่ถ้าเห็นได้จะยอมรับได้นะมันจะไม่มีที่ตั้งของความทุกข์มันมีเราขึ้นมานะมันก็เลยมีที่ตั้งของความทุกข์ขึ้นมา ถ้าไม่มีเราความทุกข์ตกหายไปไหนก็ช่างมันหัดใหม่ๆก็กลัวตัวเราหายไปต้องทนเอาถ้าสมควรแก่วเวลานะคะต้องให้พอนไหมให้โบนนะ <c oughs> ให้พอนไม่มีอะไรหรอกเป็นเรื่องหลอกเด็ก <c oughs> พอกนแปลว่าความประเสริฐความดีต้องสร้างเอาเองให้กันไม่ได้หรอก พวกเราคงฉลาดพอไม่ต้องรับหรอก